ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแรงะนะเรื่องการปฏิบัติหนะ้าสุกโตนี่ยนะสุกโตต้องเรื่องการปฏิบัติตการปฏิบัติภาวนาสิ่งที่สำคัญของนักปฏิบัติก็คือเรื่องของความขยนันความอดทน น, นักปฏิบัติต้องขยันแล้วก็อดทนที่จะฝึกภาวนาให้ต่อเนื่อง ต้องฝืนใจตัวเองเป็นอย่างมากเพราะว่าการภาวนาในรูปแบบเนี่ยจะมีอิริียบทซ้ำๆการปฏิบททัติซ้ำๆทำให้นักปฏิบัติรู้สึกเบื่อแล้วก็เซง็งกับต้องทำอะไรซ้ำๆ ซึ่งทาธรรมจาร์ของคนเราเนี่ยไม่ชอบทาอะไรซ้ำๆชอบเปลี่ยนชอบเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้ น, น, นจะต้องนักปฏิบัติจะต้องฝืนใจตัวเองเอธิษฐานใจตัวเองให้ได้ที่จะทำให้ต่อเนื่องกันนานๆแม้ว่ามันจะเบื่อก็ต้องทำขี้เกียจก็ต้องทำต้องฝืนทนทำไปก่อน จนกว่าการปฏิบัตินั้นจะมีการพัฒนาก้าวหน้าและต่อไปมันก็จะปฏิบัติได้เองโดยที่ไม่ต้องอดทนมันก็ปฏิบัติได้ก็เป็นการปฏิบัติได้ทั้งวันถ้าเราชนะใจตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะไม่เห็นธรรมะโอกาสที่จะบรรลุธรรมเนี่ยจะไม่เกิดขึ้น ลำพังแค่ความเบื่อความเสงเรายังเอาชนะไม่ได้แล้วเราจะเอาชนะกิเลสตั้งพันห้าตัญหาตั้งร้อยแปดได้อย่างไรเนี mm ่ hmm. ยก็ให้นักปฏิบัติก็พิจารณาดูในข้อนี้นะ mm hmm. ก็ต้องให้กำลังใจที่จะฝืนทำต่อไปเรื่อยๆนะ